นะ อ, อ, อถามมาแม่ฟล อ, อฟังโอ้เป็น <c oughs> ดึกว่ามีอะไรจะให้พูดกันคุยกันคำถามก่อนก่อนมีไมหมล่ะในเพจในอะไรของเรา <c oughs> มีหรือเปล่มีค่ะคุณ <c oughs> ธรรมาดาอยู่เปิดนั่นแหละมันจะได้โล่งจะได้หายใจโล่งฝนก็ตกดีแล้วเกินเนาะทำให้มันรู้สึกอยากจะไปนอนฉันเอนไซน์แล้วอยากจะไปนอน นี่ปล่อยให้ไทยกันแบบไม่ได้ถามครับถามไม่พูดอะไรนไี่ไม่ได้ได้เนี่ยเสียค่า Wi-Fi เสียคนดูเขาก็ชมเขาก็จ่ายค่า Wi-Fi เวลาเป็นเงินเป็นทองนี่เนี่ย ม, มันเป็นโยมบอยนะโยมกิตติคุณนะโยมบอยพระโสดาบันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นหรือว่าเกิดในภพภูมิอื่นก่อนภพภูมิอื่นได้ครับ หรือเปล่าครับผูาา้อาวรโสประบันที่ประเภทที่เป็นสัตตะขตุงสัตตะขตุงหมายถึงว่ามีความเป็นไปในอีกเจ็ดภพเจ็ดชาติในภพชาติครั้งหน้านั้นจะต้องไปเกิดเวียนเกิดเวียนตายอีกเจ็ดครั้งเจ็ดภพเป็นความสงสัยว่าในเจ็ดภพนี้เจ็ดครั้งนี้นี่จะต้องไปเกิด ที่ไหนบ้างโลกมนุษย์กับเทวดาอย่างเงี้ยต้องมาเกิดมนุษย์เท่านั้นหรือว่าเกิดในภพภูมิอื่นได้ก็ดูนางวิสาขานางวิสาขานางปรารธนาไว้ใช่ไหมละ่ะว่าจะได้ไปเกิอดอยู่บนสวรรค์นางวิสาขานี่ย้อนทุกไปอีกเจ็ดภพเนี่ยบนสวรรค์เป็นนางเป็นนางของเออนางของอะไรที่เท่า ป า, ปาลินิมิตสวัสดีนะเป็นเมียนะพูดได้ง่ายอยู่บนสวรรค์นะฉันปาินิมิตาสวัสดีนะแต่เป็นเมียเทพผู้เป็นใหญ่อยู่ที่นั่นเกิดอยู่ที่นั่นนางก็จตุติที่นั่นอีกนางวิสาขาจตุติที่นั่นไปเกิดอ ย, อยู่พบภูมิอีกภูมิโลกนั่นอีกมางอีกนาน คือ น, นางจะได้บรรลุธรรมในชั้นนั้นอยู่เป็นสกัดหาคามีแล้วไปเกิดอยู่ในพมบรโลกเป็นอนาคามีแล้วก็อยู่ในราคามีตามลำดับชั้นอีกนานนั่นคือความปารธนาของนางเองคือปารธนาจะเกิดบนเทวโลกโดยส่วนเดียวหากพระโสดาบันเราได้ปารธนาจะเกิดมาสู่มารมาโลกมนุษย์นี้ก็ได้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร พระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นพระโสดาบันพระองค์ปัถนาจะเกิดในภพภูมิชั้นสูงก็ได้แต่ว่าด้วยใจของพระองค์นั้นยังเกาะเกี่ยวอยู่กับหมู่ญาติจึงคิดอยู่ว่าเราขอไปเกิดอยู่รวมอยู่กับหมู่ญาติดีกว่าจึงได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมี้ทีนี้เราก็มาดูว่าการเกิดเท่าที่มีอยู่ในตํารานะั้นะ ส่วนมากเรจะเห็นไปเกิดอยู่บนเทวโลกเสมอมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยจะเห็นจึงเกิดความสงสัยว่าการที่พระโสดาบันจะต้องเกิดอิกเกียตชาตินั้นจะต้องมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้หรือเปล่าหรือจะต้องเป็นเทวโลกเสมอไปก็ต้องไปดูคําที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลผู้บรรลุโสดาบันแล้วในประเภทสัตว์คตูงนี้นะจะต้องเกิดอิกเกีตชาติเนี่ย ย่อมมาสู่โลกนี้อีกเจดครั้งใช่ไหมหล่ะโลกนี้อีกเจ็ดครั้งคาว่าโลกนี้นี่มันต้องไปดูว่าพรองตรัสที่ไหนโลกนี้เนี่พระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยแสดงอยู่ที่ไหนอยู่โลกมนุษย์หรื อ, รอเทวโลกนะแสดงอยูเ่เทวโลกหรือมนุษย์มนุษย์โลก เมื่อพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าอยู่บนโลกมนุษย์นี้ว่าพระโสดาบันจะต้องมาเกิดอีก7ครั้งนั่นก็หมายถึงว่ามีโลกมนุษย์นี้เป็นที่ต่ําสุดในโลกนี้นะโลกนี้คือโลกมนุษย์นี้เป็นที่ต่ําสุดที่จะต้องเกิดต่ํากว่านี้ไม่มีเกิดอีกแล้วนะเพระเาะฉะนั้นจะต้องเริ่มที่โลกมนุษย์นี้เจดครั้งนั่นคือพระโสดาบันที่มีความประมาทอย่างแรงกล้า แต่จะประมาทอย่างแรงกล้ายอย่างไรก็ตามก็ไม่ถือเอาพบที่แปดเนี่ยคือเจ็ด ก, <7. S 2> ก็แล้วแต่กรรมวิบากเหมือนกันแต่ด้วยด้วยองค์คุณแห่งความเป็นพระโสะดาบันนั้นจะไม่เกิดในตระกูลต่ํจาจะเกิดในตระกูลสูงเท่านั้นจะไม่เกิดในตระกูลต่ําเกิดอยู่ในตระกูลสูงก็ คล้ายๆกับว่าได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมมีสมบัติมากมายแค่ไหนก็ไม่เอาทิ้งมันไม่มีความสำคัญอย่างเงี้ยแสวงหาธรรมดีกว่าเราก็อาจจะเคยเห็นประเภทที่บุคคลที่มีทรัพย์สมบัติมากๆแล้วก็ไม่ได้สนใจใยดีอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณนั้น นั่นคือบุคคลที่มาเกิดในโลกมนุษย์ในความเป็นพระโสดาบันจะเป็นทํานองนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะบุตรชนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันที่มีทรัพย์มากๆและไม่พอใจยินดีในทรัพย์พอใจในธรรมมากกว่าก็มีนั่นอาจจะเป็นเพราะเกิดจากการอธิฐานของท่านที่ท่านอธิฐานไว้แต่ปางก่อนว่าขอให้พบผู้ศาสนาขออย่าให้จิตใจตกอยู่ภายใต้การครอบคําของอำนาจ ด, ด้วยทรัพย์ขอให้ยินดีใน ทำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอธิฐานไว้อย่างนั้นให้มีสติปัญญารับรู้ในทรับทราบในการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็เลยได้ผันตัวเองเข้ามาสู่วิถีแห่งความเป็นนักบวชแล้วก็บำเพ็ญภาวนาจนถึงความดุดท้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะกาหนดหมายได้ว่าลักษณะอย่างไรที่ เป็นพระโสดาบันมาเกิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถกําหนดหมายได้แต่ที่แน่แน่ก็คือพระโสดาบันเมื่อได้เกิดแบเป็นมนุษย์จะไม่เกิดอยู่ในฐานะตกต่ําจะเกิดอยู่ในฐานะสูงเท่านั้นเป็นที่เคารพนับถือของคนอื่นอย่างเงี้ยตระกูลที่มีทรัพย์มากสมบัติมากไม่ให้ลําบากด้วยทรัพย์ไม่ให้ลาําบากด้วยการสแสวงหาในการเลี้ยงชีพ พรโสดาบันก็จะมีใจโน้มเอียงในการศึกษาธรรมหรือบวชได้ง่ายแล้วก็จะสามารถประพฤติตนเองให้เข้าถึงความเป็นส ก, กาดทาคามีอนาคามีได้ง่ายจะเอาง่ายๆคือมาเกิดเป็นมนุษย์ ง, ง่ายที่สุดในการที่จะทำตัวเองให้หลุดพ้นบนเทวโลกไม่ ง, ไมง่ายยากเพราะความสุขเยอะโลกมนุษย์นี้แม้จะมีความสุขแต่ก็ทุกข์กว่าเยอะนะแต่เทวโลก ทุกน้อยนิดเดียวความสุขมากมากโลกโลกมนุษย์นี้สุข5้าสเปอร์ซ็นทุกห้าสเปอร์เซนหรือสุขประมาณสี่สเปอร์นทุกหกสิเปอร์เซอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ใครตกอยู่ในฐานะไหนแห่งการรับวิบากแต่บนเทวโลกนั้นสุขเก้าสิบเอร์ซนเก้าสิบเก้าถึงด้วยซ้ำเ น, นี่ย แทบจะไม่มีทุกข์ทุกข์กันก็พอเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไะไปอา่านเรื่องของเทวดาดูให้ดีนะทุกข์เพอเรื่องไม่เป็นเรื่องอนะก็ยังมีการปฏิบัติก็มีก็มีการศาสนนโไม่มีศาสนาบนเทวโลกไม่มีการปฏิบททัติจะบิน ก็ต้องไปเป็นเทวดาก่อนถึงจะรู้แต่ก็ได้ทราบมาว่าเทวดาบางเหลา่าที่ปฏิบัติตนเองในขณะที่เป็นมนุษย์นี้พอจุติขึ้นไปสู่เทวโลกแล้วไม่โน้มใจไปในสู่ของเทวโลกจะต้องไม่โน้มใจนะไม่โน้มใจไปในสู่ของเทวโลกใส่ใจอยู่แต่กับธรรมที่ตัวเองพิจารณาอยู่ติดต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเทวดาเหล่านั้นจะสามารถตัดสรุปธรรมในภพนั้นในภพที่ไปเกิดนั้นได้บนเทวโลกนั้น ผู้ที่เจ้าก็ไหวอย่างนี้แต่ถ้าเกิดไปแล้วปุ๊บก็เห็นวิมานทิพย์เห็นเทพเห็นนางฟ้าเห็นเทปพประบุสวยๆหล่อๆเต็ไมไปหมดเลยโน้มใจไปในสุขอันเป็นทิพย์นั้นไม่สนใจกรรมฐ า, านที่ฝึกตอนเป็นมนุษย์นี่โอ้โหมีแต่นางฟ้าเว้ยอย่างเงี้ยโอ้มีแต่เ ท, ทปพประบุหล่อๆเว้ยอย่างเงี้ย บิมานทิพย์ก็โอ้โหเจิดจ้าสง่างามเนี่ยอาหารทิพย์เครื่องทิพย์ปรากฏเป็นความสุขขึ้นเป็นทิพย์เ อ, อิบอิม่มอยู่ภายในจิตในใจติดอยู่กับสมบัติบนเทวโลกนั้นยืดยาวนานไม่โน้มใจไปในวิเวกง่ายๆก็เสพกรารมาสุขสเสวยกรารมาสุขอยู่บนเทวโลกนั้นจ้นบุญจะหมดค่อยรู้สึกตัวเอาบุญจะหมดแล้วนี่กว่าก็อีกนานอีกไม่ใช่ไม่นานนะนานซะจน นานมากๆจนโบนเปลี่ยนพระผู้ไเจ้าองค์ใหม่เ่ยถึงจะเริ่มรู้สึกตัวว่าจะได้ทําบุญใหม่แล้วว่ามีผู้ได้เจ้าพระองค์ใหม่เกิดขึ้นเราจะได้ทําบุญใหม่แล้วสืบต่อบุญเรากับพระผู้ไเจ้าพระองค์นี้ต่อไปและหวังว่าจะได้ตัดสารู้ว์กับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พอสืบต่อบุญไปได้อีกก็เพลิดเพลินเสวยสุขอยู่บนที่ผสมบัติบนเทวโลกนั้นอีกยืดยาวนาน จนลืมว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงเทศอะไรอยู่บนโลกมนุษย์นี้แล้วผู้บรรลุไปมากมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปรู้อีกทีหนึ่งได้ยินข่าวว่าเทวดาเข้าเป่าประกาศไปทั้งเทวโลกว่าพระพุทธเจ้าจับปณิธานแล้วโอ้ยเสียใจอีกทีนี้คงจปะปณิธานแล้วเลยอย่างเงี้ยอันตอนอันตอนตัดสรูุ้นั่นก็ดีใจว่าจะได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าจะได้ฟังเทศฟังธรรม พอพอได้ทําบุญแล้วสเสวยผลบุญบนเทวโลกประมาทอีกไปเสียใจตอนปริญญาพันอีกอา้าไม่ทันไรพระองค์ปฏิญญาพันแล้วเหรอมันมันเวลามันโลกมนุษย์มันน้อยนิดนะเขาเข้าใจว่ามันนานเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่อีกนานไม่ได้นานหญิงนางหนึ่งเก็บดอกไม้ให้สามีเทพบุตรตนเองเ่ยบนสวรรค์นนะ่ะขึ้นไปเก็บดอกไม้บุญหมดดับจุติอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะ บนต้นไม้บนสวรรค์นั่นนะมาเกิดโรกมนุษย์นี้เกิดเป็นทิดาช่างปั้นหม้อหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือทอหูนี่แหละก็ระลึกได้อยู่ว่าตนเองมาจากเทวดามาจากเทวโลกนึกได้ว่าเรามาจากเทวโลกเราเพึ่งจุติมาโลกมนุษย์นี้นึกได้ว่าสามีตนเองก็อยู่บนเทวโลกนั้นนางก็เลยไม่ปฎิฐานาสามีรักษาแต่ศีล เพื่อจะกลับไปสู่สวรรค์เหมือนเดิมก็รักษาศีลตลอดชีวิตสิขาวบท5ประการ8ประการตลอดชีวิตเนี่ยก็ทําบุญทีไรก็ปรารถนาว่ากลับไปขอให้ได้กลับไปอยู่กับสามีขอให้ได้กลับไปอยู่กับสามีขอให้กลับไปอยู่กับสามีจะทําบุญอะไรก็ตามขอให้กลับไปอยู่กับสามีเมื่อกี้เธอไปไหนมาอยู่โลกมนุษย์นี้80ดสกว่าปีนะเมื่อกี้ไหนไปไหนมาเวลามันนานไหมหล่ะโลกมนุษย์นี่ ไม่ได้นานเลยแป๊บเดียวเง่าเง่าหายไปไหนเมื่อกี้ไม่ได้เห็ น, หน่ะนางเทพตัวอื่นเข้ามาหาแต่เธอหายไปไหนเมื่อกี้ไม่มาทําหน้าที่โง่อย่าโกรธฉันเลยฉันได้ไปจุติลกบนุษบุญหมด <c oughs> บุญหมดลงไปจุติเนี่ยเพิ่งจะตายมาแบ บ, แ บ, บเนี้ถึงได้มาเนี่ยบอกอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยอหรอเทวดา โอ้ประมาทกันขนาดนั้นเลยนะไม่รู้เรื่องเลย<ม>การเกิดการตายอลัง<ม>เข้มข้นมากเลย<ม>เอามาหน่อยก็ต้องก็ต้องเกิดในโลกมนุษย์นี้แหละอย่างตามนะเก็ชาติในโลกมนุษย์นี้อย่างตามตามที่สุดแล้วคือพูดถึงพื้นฐานของการเกิดนะั่นอ่ะพง์จะตัดอย่างตามไป อางต่ำคือโลกมนุษย์อย่างเบื้องบนคือเทวโลกอย่างเงี้ยอยู่ที่จิตปาัตานาและยินดีที่จะเกิดกําหนดไม่ได้แต่ต้องเริ่มจากมนุษย์ก่อนหาไม่ปัถาานาที่จะเป็นมนุษย์ปาัตนาจะเป็นเทวเทวราก็ได้มีสิทธิ์เลือกพระสวัสดาบัณฑนะ์น่ะมีสิทธิ์เลือกหากคิดว่าตนเองจะไปประมาทอยู่บนสวรรค์เทวโลกมาอยู่โลกมนุษย์ดีดีกว่าในขณะที่พุทธศาสนายังมีอยู่ยังมีผู้กล่าวสอนธรรมะอยู่ ก็จะเกิดบนโลกมนุษย์นี้อย่างเงี้ยฮึมแล้วผู้ได้เจ้าก็ห้ามนางวิสาขาไม่ได้ด้ยอันโพงนางวิสาขาปะปะป่าฐานะสุขอย่างนั้นบนสวรรค์น่ะก็นางเป็นโสดาบันนางก็คล้ายๆกับว่าเที่ยงแค้ที่จะตัดสรู้แล้วนะในนอนาคตคือปลอดภัยแล้วน่ะคือเอาตัวรอดได้แล้วก็เออไม่ยุ่งหรอกเอาไปเถอะป่าฐานะอะไรก็ป่าฐานะไปเถอะทั้งทั้ที่โพงจะสรรเสริญการทําอาสวะให้สิ้น ในปัจจุบันชาตินี้นะแต่ความปรารถนาของนักวิสาขาเป็นความปรารถนาที่เป็นความพึงพอใจภายในตนเองพระค์ก็ไม่ยุ่งความปรารถนาของเขาเพราะเขาก็ทําตัวเองให้พอปลอดภัยได้แล้วในวตาณนะแต่ถ้าบุรุษชนนี้พระเจ้าจะจี้อยู่ตลอดน ะ, ะจี้อย่าให้ประมาทอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างนั้นก็ตามพระวกผมก็ยังไม่วไยที่จะบอกว่า พระโสดาบันประเภทที่ยังปฏิหานาภพชาติก็คือพระโสดาบันที่เป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้านะคือยังประมาทอยู่เพื่อที่ไม่อยากจะให้พระโสดาบันนอนใจอยู่ว่าเราปลอดภัยในวตาแล้วไม่ไม่ภาคเพียนทำของพระพุทธเจ้าให้ถึงสูงสุดพระพุทธเจ้าก็เลยกลัวว่าหาก ไม่มีพระอริยเจ้าที่เข้าถึงสภาพธรรมสูงสุดการสอนสัสสจธรรมในศาสนานี้จะสอนไม่ถึงถึงที่สุดคือสอนความเป็นแก่นของพุทนานไม่เต็มที่ก็จะสอนในแค่ภูมิของสุตด า, า น, นั้นเองนะทีนี้พระสะกท า, าคามีจะต้องกลับมาสู่โลกมนุษย์นี้อีกหนึ่งหนึ่งครั้งใช่ไหมล่ะหนึ่งครั้งก็ต้องดูว่าหนึ่งครั้งในะที่มนุษย์โลกหรือเทวโลกก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าตัดบทธรรมนี้อยู่ที่ไหน ถ้าตัดอยู่บโลกมนุษย์ก็เท่ากับว่ามาสู่โลกนี้ก็คือมนุษย์โลกเนี่ยนอนเป็นเบื้องเบื้องต่านะเบื้องต่ำแต่ไปเทวโลกได้ไหมไดม้ไปได้จะเอาอะไรละ่ะมนุษย์โลกหรือเทวโลก <c oughs> มนุษย์โลกก็นัดมาเจอกันสิ <c oughs> เราเราก็เราก็นัดมาเจอกันนะหว่าเงี้ยคุยกันหนึ่ยให้ ที่ยังไม่อยากจะไปประมาทอยู่บนเทวโลกนะไม่อยากจะเสะวยสุขบนเทวโลกนัดกันดีมาเจอกันโลกมนุษย์นี้นะถ้ายังได้เกิด อ, อีกกียรติชาติานเองเงี้ยเนยยาะเอจะได้ปฏิบัติไปด้วยกันอีกจะได้มีสหธรรมิกจะได้มีพรหมจารี์จะมีคนที่มีทัศนคติเดียวกันประพฤติไปด้วยกันย่เีจะได้ไม่ขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้ยมชาติบอกไม่เอาหรอก เบื่อแล้วอย่างเงี้ยเป็นมาการีเป็นมาการีประมาทจริงๆโลกมนุษย์เรานี่นะประมาทนึกว่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานนั่นน่ะอายุเท่าไหร่ สาิบสามแล้วอยากยัมีชีวิตอีกนานอยู่ไหมคิดว่าคือไม่ว่ามันงจะอีกนานไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะไปตอนไหนแต่ใจนะก็อยากจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานนก็ไม่อยากหรอกมันเป็นทำไมบุ่นใบชีวิตนี้บุ่นใบจริงๆชีวิตนี้หาความสุขได้ยาก ชีวิตนี้หาความสงบแท้า ย, ยากชีวิตนี้หาคนรู้ใจยากดินนด้นรนอยู่เสมอดิ้นรนเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่ น, นเพื่อพ่อเพือพ่ อ, อแม่ดิ้นรนอยู่ตลอดจึงหาความสุขไม่ได้จึงไม่อยากจะพอใจที่จะอยู่โลกนี้อันนั้นก็เป็นความพอใจที่เป็นความไม่พอใจที่ไม่ดี <c oughs> เป็นความคือไม่พอใจที่อยากจะอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าดีนะมันไม่ดีพอใจที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ดีทํายังไงล่ะถึงจะดีฮะไม่พอใจอยากจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ดีพอใจที่อยากจะอยู่ก็ไม่ดีทํายังไงถึงจะดีใช่หาทางหลุดพ้นเมื่อรู้แล้วว่ามันมีทุกข์มันมีความวุ่นวาย มันม <play shr ill high allá> ีความไม่สมดังใจหมายความป่าธนามีความขับแค้นใจมีสิ่งที่คอยบีบคั้นทางจิตทางใจอยู่เราก็แบกรับความทุกข์เหล่านั้นไว้ภายในใจที่คนอื่นไม่สามารถรับรู้ได้เก็บอยู่ในความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมมือไก่หน้าภาคอยู่ทุกอยู่คนเดียวใช่ไหมไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะก็เก็บมาเก็บมามันก็เลยทําให้เบื่อนายไม่อยากจะอยู่ พอไม่อยากจะอยู่ไม่พอใจที่จะอยู่มันก็เลยกลายเป็นปฏิเสธความเป็นอยู่ของตนเองที่ตัวเองเป็นอยู่อยู่แล้วคือยังไงก็ได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วแต่ก็ปฏิเสธความเป็นอยู่เพราะไปเจอความทุกข์ยากในขณะที่เป็นมนุษย์อันนั้นขาดปัญญาในการใขข้อควนให้รอบคอบภายในชีวิตของตนว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของตนเองนั้นเป็นไปจากการการะทําของตนเมื่อชีวิตเป็นไปจากการการะทําของตน จะปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองกระทําในทางด้านดีและด้านไม่ดีไม่ได้ด้านที่ไม่ดีให้ผลก็ปฏิเสธไม่ได้เ อ, อ้อนู่นกระดาษทิชชู่นี่แหละพอพูดถึงความเป็นจริงของชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละถมน้ําตา ม, มันก็จะจะไหลออกมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือความจริงที่มันปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นความจริงที่ปรากฏแล้วอยเท่านั้นที่จะทําให้เราสามารถ มีสติมีปัญญารับรู้รับทราบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะอาศัยสติปัญญาได้โดยการรู้จักความทุกข์ในชีวิตนี่แหละความสุขไม่เคยสร้างสติปัญญาให้กับเราจริงๆความสุขมีแต่จะทำให้เราประมาทในชีวิตใครก็ตามอยู่ในโลกนี้อย่างสุขสบายประมาทไหม ประมาทว่ายังไงประมาทว่าตนเองยังอายุน้อยอยู่เห็นไหมประมาทว่าเรายังไม่ป่วยประมาทว่าเราอะไรอะไรอะยังอยู่อีกนานอยู่ะนะมีนานอยู่ไม่ต้องไปเล่งขนขวายทําอะไรหรอกคือมันอยู่สบายมากเกินไปประมาทไปหมดอ่ะยังมีเวลาอีกเยอะเนี่ยเวลาอีกนานเนี่ย 33บาปีนี่สาสิบสามปีเจอทุกแล้วเ<ม>นี่ยกี่ปี <55. S 1> หา้าเจอทุกหรือยังยังประมาทเนี่ย <50. S 1> เจอทุกหรือยังเ จ, เจอมาเยอะแล้ว น, นี้แต่ว่ามาสแสวงหาทางออกไม่ประมาทอันนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่พูดตั้งแต่แรกโลกมนุษย์นี้ทุกห้าสิบสุขห้าสิบหรือบางทีทุกหกสิบสุขสี่สิบหรือบางที ทุกสุข30ก็มีหรือบางทีทุก80สิุข20ก็มีแต่อันสุข20บเนี่ยบางคนก็ยังติดอันสุข20อยู่นะมีอยู่นะติดอันสุขที่20แต่ทุกอยู่70ทั้งชีวิตอยู่เนี่ยแต่ก็ยังติดอยู่กับความสุขประเภทนั้นเอ้ก็ยังติดกันเนาะมันคืออะไรเจ็บป่วยอยู่ในร่างกายตนเองก็ยังจะเหมือนกับว่ายังอยากจะอยู่อยู่ โ, โนี้แต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธมันความเจ็บป่วยรักษาันตามเหตุปัใจจัยในควรที่จะรักษาชีวิตที่ดิน้นรนชีวิตที่ลขลควายชีวิตที่อยู่แต่กับการสแสวงหาพอบ้างไม่พอบ้างขาดบ้างได้บ้างอดบ้างอิ่มบ้างมันเป็นไปแบบ ฟืดๆเคืองๆ อ, อย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกไม่ยินดีไม่น่ายินดีอะนาพีระโตอนาระตะไม่น่ายินดีสภาพโลเกอนาพรตะสัญญาโลกนี้ไม่น่ายินดีสักอย่างไม่น่าพอใจที่จะอยู่ไม่อยากที่จะอยู่ไม่ปรารถนาที่จะอยู่หากคิดอย่างนี้มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าจะเกิดการตัดรอนชีวิตตัวเองคิดหรือยังยังไม่คิด <Yeah. S 1> แต่มีบางคนคิดแต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนความคิดได้แล้ว ยังไม่ถึงกับคิดที่จะตัดรอนชีวิตตัวเองแต่ตั้งความรู้สึกอยู่ภายในใจว่าไม่ปรารถนาที่จะอยู่เนาะไม่อยากจะอยู่เลยมาเกิดกันทําไมนักหนาเนาะโลกนี้ก็มีทุกข์กันทั้งนั้นก็เราเจอทุกข์คนเดียวนี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะเจอทุกข์กันทุกคนนั่นแหละใช่ไหมเจอทุกข์กันทุกคนมันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมีปัญญาในการรู้จักทุกข์และวางทุกข์ได้มากกว่ากันใช่ไหมหากไม่มีปัญญารู้ทุกข์ไม่มีปัญญาในการวางทุกข์ ก็ต้องแบกรับความทุกนั้นไว้ในใจตนเองไปตลอดและหาทางแก้ไม่ได้ก็ติดอยู่ความทุกนั้นความทุกโกวนเวียนอยู่ในจิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าทุกแล้ ว, ท, ลวทุกเล่าแล้วก็บ่นกับตัวเองอยู่นั่นแหละโอ้ยทำไมทุกจังวะบ่นแล้วบ่นเล่าบ่นหรือเปล่ายอม ต, ตุยยอมตุย <c oughs> หรือ บ, บ่นกับคนรอบข้างนี่แหละชีวิตมันเป็นความจริงเนี่ย เรียนรู้ความทุกข์ในชีวิตที่เป็นความจริงอย่างนี้ไปตลอดมันจะเกิดสติปัญญาจากการเรียนรู้ในความทุกข์นั้นอย่าเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องบีบพันใจแต่เอาความทุกข์มาเป็นเครื่องฝึกฝนด้วยสติปัญญาของเราคือการรู้จักทุกข์วันนี้แหละคือทุกข์ความทุกข์นี้ <c oughs> เป็นสัจธ ร, รรมสัจธ ร, รรมนี้เป็นความจ ร, ริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ <c oughs> จะต้องจะต้องเจอทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้จะเป็นทุกข์ประเภทไหนก็ตาม <c oughs> ต้องเจอต้องได้สัมผัส จะมากหรือน้อยก็ต้องได้เจอได้สัมผัสได้รับรู้ได้เห็นกันอย่างเงี้ยการไม่เกิดนั่นเองจึงไม่เจอความทุกข์ในโลกนี้ในเทวโลกในพรมโลกและในโลกอื่นๆอีกโลกไหนไหนก็ไม่เจอการไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์เมื่อเกิดแล้วความทุกข์ต้องมีในชีวิตนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของการที่เกิดแล้วเพราะเราไม่ไปยุติการเกิดแต่ครบก่อน พบก่อนเรายุติการเกิดไม่ได้เมื่อมันมีการนำมาซึ่งการเกิดและการเกิดก็อํานวยผลให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้โดยความเป็นมนุษย์และอยู่ในโลกมนุษย์นี้ที่ความทุกข์มันมีอยู่ตอนก่อนที่จะเกิดเราไม่ได้รู้หรอกว่าเราจ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์อะไรบ้างพอเกิดมาแล้วไปเจอแล้วสัมผัสแล้วเราจึงได้รู้ใช่ไหมล่ะ<ด>เราก็เรียนรู้มันทีที่นี่เรียนรู้มันทําความเข้าใจฝึกฝนพระเจ้าก็ใช้ความทุกข์นี่แหละเป็นเครื่องฝึกฝนทางคิดทางใจพระเจ้าบอกว่าความทุกข์ หากเรา น, น้อมเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องฝึกฝนทางจิตทางใจแล้วจิตเราจะบริสุทธิ์จากการยึดถือหมายถึงว่าเราจะไม่มีความยึดมัน่นถือมั่นภายในตนเองจะยึดมันทำไมเล่าก็มันทุกข์อยู่นี่ทุกข์มันมีให้เห็นอยู่นี่เจ็บแข้งปวดขาก็มีให้เห็นอยู่นี่มีแต่คนเซอ่อสติปัญญาไม่พอนั่นแหละที่จะยึดถืออยู่ในกายว่าเป็นตนเป็นของของตนจิตมันก็ทุกข์ไปตามอาการแห่งกายที่เจ็บที่ป่วยที่เป็นที่ไม่สบายอยู่ มีจิตที่โง่ ท, ที่ยึดถือภายในตนเองภายในจิตตนเองมาจิตเป็นตนกายเป็นตนก็จะรู้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้ก็จะเกิดการไถถอนการยึดมั่นถือมั่นเมื่อไถ่ถอนการยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกิดการสลัดสลัดออกสลัดคือมันมันทราบว่าเป็นทุกข์สิ่งที่มันจับอยู่เป็นก้อนทานเพิงว่ามันร้อนร้อนมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ก็วางแค่นั้นแหละ แต่บางคนร้อนแล้วไม่วางคือทุกทุกแล้วไม่ยอมวางอันนั้นคือยังเห็นว่าไฟที่จับอยู่มันเป็นไฟเย็นไฟเย็นก็มีได้ไฟที่เข้าใจว่าเย็นนะแต่ก็ทุกนะก็พูดทำไมทุกอยู่นะเขาเรียกว่าไฟไฟที่กบไปด้วยขี้เท่าทานทานไฟแด ง, แ, งแต่กบไปด้วยขี้เท่ามันก็เลยไม่รู้สึกว่าร้อนมาก แต่พอขี้เท่ามันหมดและไฟประทุ ข, ขึ้นมาเมื่อไหร่จึงรู้สึกว่าร้อนมากเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่กบไปด้วยความสุขเป็นความทุกข์ที่หลอกล่อให้จิตมนุษย์ติดอยู่ภายในกายในจิตของตัวเองหนีออกไม่ได้การเกิดจึงต้องมีการสศมผลให้ไปเกิดตามภพชาติในการยึดถือหากเราไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในจิตกายแม้มีอยู่จิตแม้มีอยู่ทุกข์แม้มีอยู่ก็มีไปตามวิถีของกายของจิต ก็เป็นไปสิทุกจะเป็นไปอย่างไรมากแค่ไหนก็เป็นไปเราไม่ยึดถือนี่หาใจไม่ละคำว่าไม่ยึดถือไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่ไม่อะไรนะเขาเรียกว่าเฉยเมยหรือไม่รับรู้อย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ยึดถือไม่ใช่อย่างนั้นไม่ยึดถือหมายถึงว่ารับรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่รับรู้ด้วยสติปัญญาทราบชัดแห่งการเกิดขึ้นของความทุกข์ว่าทุกนี้เป็นสัจจะทุกนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกเป็นสิ่งที่ประจําอยู่กับโลกเมื่อเป็นสิ่งที่ประจําอยู่กับโลกโลกคนที่เกิดมาในโลกก็ต้องเจอทุกประเภทนี้ไม่มีเจอไม่ได้เมื่อเป็นสิ่งที่ต้องเจอก็ต้องยอมรับ <S <S การที่ยอมรับความทุกข์ที่อยู่ประจําโลกนี้ไม่ได้นั่นแหละคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มละยอมแล้วก็รับนะรับอะไรจะเกิดขึ้นก็รับยอมรับมัน ง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ง่ายเนาะหาความสบายในใจไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับนอนหลับไหมเมื่อคืนหลับอยู่จำไว้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอย่าไปทุกข์กับมันเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็ทุกข์แล้วถ้าไปทุกข์กับมันมันจะเป็นความทุกข์เพิ่มจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น มันจะเสียประโยชน์เวลาความทุกข์เกิดขึ้นให้ยินดีว่ารับรู้ด้วยสติปัญญาว่าอ๋อความจริงเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่ในโลกของความจริงให้มากขึ้นเราจะไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดเราไปคิดว่าชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตเราต้องดีอย่างนี้ชีวิตเราต้องประสบความสำเร็จอย่างนั้นอันนั้นคือโลกของความคิดแต่โลกความจริงคือสิ่งที่ประจักษชัดและเกิดขึ้นกับชีวิต ข, ของเราอันนั้นคือโลกของความจริงนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตไปได้ท่ามกลางความทุกข์ ที่มันอยู่ในโลกนี้เวลาทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับอ๋อมันทุกข์ก็ต้องทุกกับมันแล้ววะแต่เราจะไม่ทุกข์คือปล่อยให้ทุกข์เป็นไปตามอาการแห่งความทุกข์พอเป็นไปตามอาการแห่งความทุกข์มันได้แล้วจะเป็นทุกข์ในเรื่องใดๆก็ตามมันต้องมีที่สุดของมันอะไรก็ตามถ้าเรารับรู้มันอยู่ไปตลอดสายมันก็ถึงที่สุดพอถึงที่สุดมันก็หมดความทุกข์ก็หมดไปมันหมดได้ไม่ใช่หมดไม่ได้ถ้าหมดไม่ได้พุทธเจ้าก็คงยังไม่ตัดสรู้หรอกมันหมดได้อยู่ แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าต้องอาศัยทุกนี้เป็นเครื่องเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาจบวกมาถึงเรื่องทุกได้จนได้เทศกันไหนก็หนีไม่พ้นจากเรื่องของความทุกข์ ว่าอารมณ์ถือข้าวแล้วก็จะกอหนดว่ามันมั น, ออม เ, น, น, น, นเป็ความทุกข์พี่ผู้การบอกว่าให้แต่กระยานที่เกิดขึ้นนะให้บอกแล้วว่าทุกส ม, มุทรไทยที่รบนะเองถือข้าวมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งหุงข้าวเป็นความทุกข์หิวหิวอ๋ออ่าอ่เป็นความทุกข์ใช่ไหมใช่ ร, รู้ว่าอันนี้คือความทุกข์ใช่ส ม, มุทรไทยก็คือเพราะว่าเราเมี ร่างกายอันอันที่มีร่างกายคือเป็นสมูทไทยที่มาจากเหตุของปางก่อนเนี่ ย, ยนี้เป็นกรรมเก่าคือเป็นตัวเหตุจากปางก่อนคือสมูทไทยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วมันอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทุกข์แท้ไม่ใช่ทุกข์เทียมความหิวเนี่ยเป็นทุกข์แท้เข้าใจไห ม, มเหตุของความหิวคือความมีอยู่ของกายก็เป็นทุกข์แท้ มันเป็นเหตุจากทุกแท้แต่ถ้าเหตุก่อนหน้านี้คือเหตุจากตัณหาสมุทรยอันนั้นอะ่ะมันล่วงมาแล้วใช่ไหมล่ะเราก็รู้อยู่มันส่งผลให้มาสู่การเกิดแล้วมันก็ให้ผลของมันเ ส, เสร็จสิ้นแล้วที่เหลืออยู่เป็นผลคือตัวก้อนอนทุกข์ที่มันต้องแสดงเมื่อเป็นก้อนทุกข์ที่ต้องแสดงความหิวก็ต้องปรากฏความง่วงความหนาวความร้อนก็ต้องปรากฏเพราะฉะนั้นงกำใจเวลาหิวเคยเห็นใช่ไหมเวลาความหิวเกิดขึ้นแล้วตัณหาครอบงกำใจเป็นยังไง ก็ได้ยินนี่เรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่มก็นั่นแหละก็คือมันครอบงำใจคือด้วยความหิวนั่นแหละความหิวไม่ใช่กิเลสเป็นทุกขสัจจะแท้แต่คนไม่รู้จักทุกขสัจจะแท้ถูกความหิวนี้บีบคั้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วสร้างสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกจากความทุกทจากความหิวที่มีนั้นเป็นความทุกข์แทนะ้เพราะนั้นสมุทัยจึงเป็นทุกขเทียม เข้าใจไหมกายนี้เป็นทุกแท้ความหิวหรือความง่วงความหนาวความร้อนเป็นทุกแท้แต่ความอยากที่เกิดจากความหิวความง่วงความหนาวความร้อนเนี่ยเป็นทุกเทียมเพราะความอยากนั้นจะทําให้จิตดิ้นรนใช่ไหมล่ะถ้าเราจะกําหนดตู้มันอย่างไรคะว่าเอาหิวเนี่ยมหิวเป็นทุกขษัจจะ ก็กำหนดรู้เป็นอย่างนั้นอหงื่อนี่เป็นทุกข์เป็นความจริงถูกต้องมันต้องหิวเพราะร่างกายมีอยู่มีแต่มนุษย์นี่แหละมันกินอยู่นี่เทวราเคาก็กินเหมือนกันแต่เขาไม่ได้กินมาทำมาหากินเขาก็กินคือเสวยบุญพรมเขาก็กินฌานเป็นอาหารมันก็ยังทุกข์อยู่กินฌานก็ยังทุกข์อยู่นะกินฌานเป็นอาหารก็ยังทุกข์อยู่กินบุญเทวราบนสวรรค์ก็ยังมีทุกข์อยู่ มนุษย์กินอาหารบนโลกมนุษย์นี้ก็ยังมีทุกข์อยู่สัตว์เดรัจฉานก็แสวงหาอาหารกินไปก็ยังทุกข์อยู่แต่ขณะที่เขากินเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เขากเป็นอยู่เป็นทุกข์สัตว์เดรัจฉานมันรู้ไหมขณะที่คนเอาข้าวให้มันกินแล้วมันกินแล้วมันดีใจว่ามีคนเอาข้าวมาให้กินหามันคิดว่าการมีอยู่ของมันเป็นชีวิตมีความทุกข์มันจะไม่ดีใจแม้กระทั่งการกินข้าวแต่มันกินเพื่อบรนเทาความหิวของมัน มันจะไม่ได้มีดีใจหรอกว่าได้อาหารอันดีได้อาหารอันเดดอร่อยได้อาหารโอ้ไม่อร่อยเอาขาไก่ให้วันนี้มันมันไม่ดีใจถ้ามันรู้ว่ามันมันมีชีวิตมีความทุกข์มันไม่ได้ดีใจอะไรเลยมันมีแต่จะสะดใจอยู่ว่าโอ้กูต้องมากินอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยเราเองก็เหมือนกันมนุษย์เราเองก็เหมือนกันนะความหิวเกิดขึ้นก็น่าจะเกิดสติปัญญารับรู้รับทราบได้แล้วว่าโอ้ชีวิตนี้มีความทุกข์ พอชีวิตนี้มีความทุกข์จึงไม่ควรประมาทเพราะมันทุกข์ไม่ใช่ว่ามีสิ่งตอบสนองทางด้านการกินแล้วดีใจอยู่ว่าอ๋อมีอาหารการกินตอบสนองอยู่ก็ดีใจอยู่ว่าเราจะไม่ทุกข์เพราะการหิวเพราะความกินเพราะเพราะความเพราะการเพราะเรื่องการกินเพราะเรามีอาหารการกินคอยทำให้เรากินอยู่เราทีนี้เราก็ต้องไปคำนวณดูว่าเรากินครั้งเดียวแล้วมันอิ่มไปตลอดหล่ะ ไม่เราก็กินตั้งแต่วันตอนงแตมปันเกิดใช่ไหมล่ะนมจนถึงกินข้าวหยาบโตขึ้นมาจนถึงตายแล้วถามว่าจะ ก, กินอย่างเี้ยได้ต้องสแสวงหาทรัพย์ไห ม, ไมแล้วขณะที่สแสวงหาทรัพย์เป็นความสุขหรือความทุกข์แล้วจะมายินดีอยู่กับว่าเรากินแล้วมันมันมีความสุขอยู่เหรอกับการกินนอกจากคนไม่มีสติปัญญาถูกความไม่รู้บงังจิตบังใจอยู่ ตอนนั้นเองจึงหลงอยู่ในชีวิตอันนี้มาชีวิตนี้มีความสุขมีทุกอย่างตอบสอนองจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมก็ตามตอนที่ป่วยหนักอยากจะกินอะไรก็อวกออกอยากกินอะไรก็อวกออกไอ้ที่เคยกินแล้วสุขสบายก็อวกออกมีความสุขไหมไม่ด้อไมไหมมันมีความสุขไหมล่ะเห็นคนอื่นกินโอ้ทำไมกินไม่ได้วะเป่วยอตาตมาเองก็เหมือนกัน อยากจะฉันอันที่ตนเองต้องการจะฉันพอฉันไปแล้วมันไม่ได้สแลสแลงนะ่ะมันมาสแสลงอะไรตอนนี้วอย่างเงี้ยกาลังจะล อ, อยอยู่นะก็มันไม่ได้มีความสุขล้อชีวิตนะมันก็ทำให้เราไม่ประมาทในการศึกษารเรียนรู้ความจริงเห็นความทุกข์มันมีทุกอย่างนี้เราก็ไม่ได้ยินดีกับการกินเท่าไหร่หรอก ไม่ยินดีกับการนอนแต่ก็ต้องนอนคือรู้ด้วยสติปัญญาไงก็ต้องกินก็ต้องนอนก็ต้องร้อนก็ต้องอาบน้ำหนาวก็ต้องโหมผ้าไม่ใช่ปล่อยปลกละเลยแต่เป็นการปล่อยวางจากภายในในการยึดถือยึดไม่ยึดมัน่นถือมั่นเพราะมันเป็นตัวทุกข์เมื่อรู้ทุกข์มากเข้ามาเข้าจะกล้ายึดในกายนี้เปล่าหรือเปล่าแต่พอเราไม่รู้ทุกข์มากมากอยู่ใบๆวนี่มันเลยเกิดการยึดรู้สึกยึกยดอยู่หิวก็เป็นเราหิวอย่างเงี้ย ก็เป็นเราห่วงนอนก็เป็นเรานอนกินก็เป็นเรากินอยู่เสมอถ้าเมื่อรู้วัดเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์มันจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเป็นทุกข์มันจะค่อยๆคลายคลายคลายไอ้ที่กําแน่นๆก็จะค่อยๆค่อยคลายคลายคๆๆยคพอคลายออกมาเดี๋ยวมันก็หลุดเองของอยู่ในมือก็อยู่ไม่ได้หรอกมันจะหลุดของมันเองแต่ถ้ายังกําแน่นอยู่บอกว่าปล่อยปล่อยสลัดออกไปมันจะมันจะออกไหมล่ะ ออ ก, ก็ค่อยรู้ไปเรื่อยอ๋อลูจริงไหมคนที่นั่งหายใจอยู่นี่เป็นทุกข์อยู่นะมาคอยนั่งหายใจอยู่โดยเฉพาะคนที่หายใจแบบฝืดเครืองนี้ยิ่งทุกขนะ์นักเพราะหายใจไม่ได้ตามความปรารถนาของตนหายใจเข้าไปก็ไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งทุกข์นะอันนี้ยังพอหายใจได้ก็ทุกข์ก็เลยน้อยก็เลยเข้าใจว่ามันดีมันสุขอย่างเงี้ย แต่ที่แท้แล้วทุกข์มานั่งหายใจอยู่เนี้ยหายเข้าหายใจออกเงี้ยทุกข์เมื่อคิดไปเห็นความทุกรอบด้านอยู่หน่ายึดถืออะไรทีนี้มันก็มันก็จะคลายการยึดถือมันก็เบื่อมันก็ไหนแต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธนะเข้าใจไหมด้วยสติปัญญาที่เรารับรู้รับทราบแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลรักษามันเพราะมันทุกข์อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วเขี่ยมันทิ้งอันเขี่ยไม่ทิ้งอันนั้นมันเป็นการเขียดด้วย การละทิฐิละความเห็นในการยึดถือภายในตนอันนี้อยังถูกต้องแต่ไม่ใช่ทิ้งกายนี้กายนี้ทิ้งไม่ได้ขนาดพระอรหันต์สิ้นอสวะกิเลสแล้วจะเข้านิพพานยังยังทิ้งกายนี้ไม่ได้เลยแม้ปารานาจะเข้านิพพานในขนาดที่จิตสิ้นอสวะแล้วในขนาดนั้นก็ยังทิ้งกายนี้ไม่ได้ยังต้องรับผิดชอบกายนี้จนถึงการแก่อายุไขของมันพอยายังรับผิดชอบดูแลรักษาเนี่ยเนี่ย ก็รอเวลามันภาษาลิบุตรจึงบอกว่าเราไม่ปรารถนาที่จะตายเราก็ไม่ปรารถนาที่จะอยู่แต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อรอเวลา <c oughs> เหมือนผลไม้รอให้มันหล่นจากขั้วอย่างเงี้ยร้อยมันหลุดของมันเองไม่ทำลายกายสังขาร น, นี้ไปเพื่อนิพานมันทำลายไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยที่จะไปทำลาย แม้รู้พระนิพพานชัดๆอยู่แล้วว่าสามารถเข้าได้ในขนะนั้นก็ไม่เข้ามันเข้าไปไม่ได้ถามว่าได้ไหมถ้าตัดใจจริงๆได้แต่ว่าท่านไม่ทำมันไม่ใช่วิสัยที่จะไปทำนะจึงจะต้องมารับผิดชอบกายนี้เพราะนั้นพระลาหนที่สิ้นอสวกิเลสแล้วยังมีทุกข์อยู่เพราะตัวนี้ยังทุกข์ แต่ไม่ได้ทุกข์ด้วยความเล่าร้อนพระพุทธเจ้าจึงกล่าวสารเสริญพระละหันาหาที่ละสังขารได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้หมดทุกข์อย่างแท้จริงการบริหารขันจึงชื่อว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งพุทธเจ้าว่าไงเนี่ยเพราะพระละหันยังต้องมาบริหารขันมานั่งหายใจอยู่ไปหาอากาศดีๆหายใจมานั่งฉันอาหารอยู่ก็ยังทุกข์อยู่บริหารมัน ต้องให้มันนอนอยู่ต้องให้มันกินต้องให้มันอาบน้ําสารพัดพนขี้พามันเยี่ยวพามันอยู่ในท่าที่มันสบายนี่ไม่หละนี่ร่างกายรับผิดชอบในความหมายของพุทธเจ้าหมายถึงว่าแม้กายมันจะเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าทิ้งความรับผิดชอบในตัวมันยิ่งดูแลมันดียิ่งรักษามันดีเพราะมันมีทุกข์อยู่ในนี้อย่าไปเพิ่มทุกข์ให้กับมัน นี่คือความมีปัญญาในทางพุทธศาสนาแต่พอพอถึงมันดับขันคือหมดอายุไขของมันแล้วปั๊บอันนั้นน่ะดีใจได้เลยสบายใจได้เลยนั่นคือไม่เจอทุกอะไรอีกแล้วเมื่อเข้าถึงนิพพานจากคำถามโยมไดซี่นิวไดซี่ ก, ก, การนมัสการพระอาจารย์ขันเนื่องจากตอนนี้เข้าเดือนสิบตามปฏิทินจันทรคติแล้วตามความเชื่อที่ว่ากันว่าชาวทิพย์ที่เป็นญาติเป็นบรรพบรุษเราที่ได้รับโทษอยู่ในนรกจะได้รับโอกาสให้ได้รับบุญจากเราอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำบุญอะไรอย่างไรที่จะสำเร็จแก่เขาได้ แล้วผลบุญจะสำเร็จแก่เขาได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรถึงขั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิหรืองดโทษของเขาได้อย่างนี้จะเป็นได้หรือไม่อย่างไรคะเดือน10เพลงที่ถือกันว่าโบราณที่เขาถือกันมาก็ไม่ใช่ว่าจะถือเพียงแค่การสืบสืบแบบไร้สาเหตุเสียทีเดียว อาตมาก็เคยตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าจําพวกใดที่สามารถรับบุญได้เท่าที่ตรวจสอบดูปรากฏว่าที่อยู่ในนรกจะรับไม่ได้ในนรกจะไม่มีโอกาสขึ้นมาแต่อยู่ในวินิบาติและว่าที่คุมขังที่ลงโทษและอยู่ในทุกคติจําพวกอื่นเช่นกําเนิดเปรตกําเนิดปีศา กำเนิดอสุรกายรับได้แล้วก็พู้ที่ถูกคุมขังคุมขังคือถูกลงทันลงโทษเนี่ยยังไม่ถึงถึงขั้นนรกนะแค่ถูกคุมขังวินิปาตะาแต่ว่านรกนี่คือที่เผาลนที่เผาที่ต้องใช้ความร้อนในการลงโทษหรือว่าเป็นผู้ต้องโทษนะพวกนี้นรกเนี่ยเป็นคุมนี่พวกอยู่ในคุมเนี่ยรับไม่ได้แต่ นอกเหนือจากนั้นอ่ะรับได้เขาจะเปิดโอกาสให้มารับหมายถึงนักโทษที่ถูกพรอนปลนจากโทษหนักแล้วให้มาอยู่ในแดนที่ญาติพี่น้องเยี่ยมได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะอันเนี้ยประเภทเนี้ยรับได้ยังไม่หมดโทษโทษเสียทีเดียวเพราะสิ่งที่เคยเห็นจะเห็นกลุ่มที่เป็นวินิปาต์พวกที่ถูกคุมขังถูกลงโทษถูก วิบากกรรมที่ดำรงอยู่ในภพภูมิของเปตอสุรกายหรือปีศาจบางจำพวกอันเนี้ยประเภทเนี้ยญาตกลุ่มเราเนี้ยรับได้แล้วบุญอะไรที่จะทำให้เขาได้รับอย่างนั้นบุญที่เกิดจากการให้ทานเท่านั้นถามว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้เขาได้ไหมไม่ค่อยเห็นเขาได้รับเท่าไหร่ แต่เห็นบุญที่เกิดจากการให้ทานเนี้ยนนใช่วันเพ็ญเดือนสิบนี่ ใ, ในพรรษานี่ยสิบเพ่งนะที่เขาบอกว่าบุญเข้าสากเนี่ยเป็นอย่างนั้นทางเหนือก็สารคพัตเขาจะเปิดโอกาสมาวันที่วันเพ็ญเดือนสิบเป็นวันพระนะเป็นวันพระเขาจะเปิดทางที่คุมขังที่เมืองยมโลก เขาจะปล่อยให้ญาติเหล่านี้ออกมารับวันเดือนเก้าดับยังเห็นเลยอาตมาก็ยังเห็นเลยแต่เป็นพวกที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญแต่มารับเศษอาหารที่เขาเรียกว่าข้าวประดับดินคือเอาไปวางไว้ตามพื้นดินทีพวกนี้ได้กินปีศาจ ท, ที่หากินของทิง้งของโสโคร ข, ของอะไรเนี่ยกินได้แต่วันเพนเดอสิทธ์นี้เฉพาะผู้ที่รับบุญได้ผู้ที่อยู่ในฐานะเปตที่อยู่ในฐานะรับบุญรับได้ เราถามว่าแล้วโอกาสต่างๆล่ะโอกาสต่างๆเขาไม่ได้เปิดโอกาสมาเขาก็อยู่ในภพภูมิตามกรรมไมบาปแต่เราส่งไปถึงเขาได้แต่อันนี้เป็นโอกาสพิเศษคือปล่อยให้มาถึงป้านญาติพี่น้องพ่อหมายถึงว่าบางทีญาติพี่น้องหลงลืมว่าตนเองตายไปแล้วนานแล้วอยู่ในภพภูมิที่รับความลําบากมากแล้วบุญไม่เคยไปถึงสักทีในระยะเวลาที่เขาทําให้แต่พอถึงจังหวะหนึ่ง ญาติพี่น้องก็ลืมเรือนไปเพราะหลายชั่วอายุคนเน่ยไม่ล่ะเขาก็จะปล่อยให้กลุ่มที่พอพ้นจากวิบากกรรมในส่วนที่รับบุญไปได้นั้นให้เข้ามาสู่วิถีแห่งการรับบุญได้จะเปิดโอกาสให้กลุ่มพวกนี้ซึ่งตายไปนานแล้วนานมากๆแล้วเนี่ยไปสามารถเคาะประตูบ้านเรือนได้เคาะเกาเคาะคือคือกักเกาขู่ขูากตามฝาเรือนเกาอย่างเงี้ยหรือเคาะได้จึงมีชื่อเรียกว่าติโลคุทะ ติโลกุทธะคือไปเก่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นสัญญาณให้ญาติบ้านนั้นได้รู้นะติโลกุทธสูตรสูตรที่ว่าด้วยการอุทิศบุญทำเสียงก๊อกแก๊แกแตึกตึงตังตั ง, ตงแล้วแต่เขาจะทำในวันนั้นจะมีเสียงแปลกๆมากที่สุดก่อนทุกวันวันเพ็ญเดือนสิบนั่นคือเขาเปิดโอกาสมาให้ได้รับบุญ อันนั้นนะคือผูกพ้นที่พ้นวิบากจากการที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญให้มาอยู่ในฐานะได้แล้วเนี่ยมันก็คํานวณอยู่ว่าใครเป็นญาติของมันบ้างในโลกมนุษย์นี้ก็คํานวณพอคํานวณรู้ว่าอ๋อที่นี่ปับ๊บมันก็ไปตามนะั้นตามสัญญาณแห่งการกระแสแห่งความเป็นญาติไปถึงบ้านเลยไม่ไม่รู้ที่อยู่ก็ไปได้พอมีกระแสสัญญาณระหว่างความเป็นญาติกันอยู่นน้ีียิใช่ในวันเพลิเดือน10 ก็ควรจะอุทิศบุญให้เลยควรจะทําบุญอุทิศให้และควรจะเป็นที่หมายรู้ทั่วกันให้ทราบเลยว่าวันเพนเดือนสิบนั้นต้องเตรียมแล้วต้องเตรียมตั้งแต่คืนวันเพนเดือนวันวันเดือนเนี่ยวันสิบี่คาำเนี่ยสี่สี่ค่ำก่อนถึงสิบห้าค่ก่อนถึงเพนจริงเนี่ยนะไม่ใช่แลม ขึ้นส4บี่ขัมมันจะขึ้น14่ข้ามก่อนล้วขึ้น1 5ข้ามเตรียมตั้งแต่ขึ้นสิบสี่ขั้มนี้ เ, นเดือนสิบก็นี่แหละเดือนจะถึงเนี่ย เ, เดือนไทยนี่ ก, นกันยายนนี่เดือน เจ้ากรรมนั้นคือตัวเรานายเวรคือผู้ที่เรากระทำกรรมกับเขาไว้ต้องอุทิศบุญให้นายเวรใช่ใครมันมีในฐานะกับอาถานะนายเวรที่อยู่ในฐานะรับบุญก็รับได้นายเวรที่ไม่อยู่ในฐานะรับบุญก็รับไม่ได้ตัวอย่างเช่นนายเวร ท, ที่เป็นยุงเคยกัดเขามาก่อนแต่ชาติแลที่แล้ว ชาตินี้เขามาเกิดเป็นยุงที่จะกัดเราคืนเขาก็มาอยู่ในฐานะของผู้รับบุญนอกจากตบมันตายแล้วโพและอุทิศบุญให้มันอันนั้นนะ่ะถึงจะรับบุญได้หากจิตใจเขาไม่โกรธแค้นคือเขาตายแล้วถึงจะอยู่ในฐานะของผู้รับบุญได้แต่เราได้กรรมทกากรรมใหม่คือฆ่าเขาในทำกรรมใหม่เนี่คือวงจรถ้านายเวรที่เป็นมนุษย์ก็รับบุญไม่ได้ แต่อุทิศบุญเพื่อไปคลายสัญญาณกำเวนได้ซ้ำพระเวสีก็นี่แหละวันเพลิเดือนสิบนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่เป็นปีนี้ยี่สิบกันยายนต้องเตรียมมันแค่แต่ยี่สิบเก้านู่นะสิบเก้ากันยาเตรียมที่จะทำบุญเลยแน่นอนเลยว่ามีญาติมาแน่แน่แน กลางคืนของวันที่ยี่สิบใช่หรือว่ามากลาคืนวันที่สิบเก้าคืนวันที่สิบเก้าออกมาเลยวันที่ยี่สิบรอรับสมมติเขารือกนติบสาบเนี่ยมัวนได้ได้บุมวัดได้เข้าได้กอมวัดตัวผู้ค่านี่ได้ผีมันจะให้เนาะกันติแม่ในวันเพ็นเดนสิบไม่ควรที่จะเอา ของไปวางไว้ตามดินทําเป็นสะตวงทําเป็นกระทงอะไรเนี่ยกระทงกับกล้วยอะไรอเงี้ยอันนั้นไม่ใช่อุทิศบุญให้เพราะนั่นคือชาวทิพย์ที่สามารถรับบุญได้นะใช่อุทิศทั้งให้ผู้ที่มารับและอุทิศทั้งให้ผู้ที่ยังอยู่ในภพภูมิที่ลําบากอยู่ได้หมดถามว่ารับแล้วเขาเปลี่ยนไม่อาจจะยังไม่เปลี่ยนภพภูมิ ก็ยังอยู่ในภพภูมิของเปตแต่แต่เปลี่ยนฐานะอยู่ mm hmm. นะเปลี่ยนฐานะคืออยู่ดีขึ้นแต่ถ้าอุทิศบ่อยๆทั้งวันในวันนั้นทำบุญทั้งวันในวันนั้นแล้วอุทิศทั้งวันในวันนั้นอาจจะเปลี่ยนได้ชดนะใช่เปรตที่เป็นญาติของข้าพเจ้า คิดในใจว่าบุญนี้จงสวัสดิ์แก่เปตที่เป็นญาติของข้าพเจ้าเอามนุษย์ผีปีศาจและเปรตเปรตอะไรเปรตผีปีศาจญาติที่ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเอาของวางในรูปแบบทั่วไปอันนั้นอันนั้นคือผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญเอาไปวางไว้นั่นน่ะมันอยู่ในฐานะของผู้ที่ไม่ได้รับ ก็เดือนเก้าดับที่ผ่านมานี่ไงเดือนเก้าวันพระที่ผ่านมานั่นน่ะสิบสี่ห้ามนะดับต้องเข้าใจว่าดับหมายถึงว่าหมดเดือนสิ้นเดือนของเดือนเดือนเก้าขึ้นเดือนสิบเนี่ยอยู่เดือนสิบแล้วน่นนี่เดือนสิบแล้วนี่เดือนเก้าก็ดับไปแล้วบุญเข้าประดับดินนี่ขึ้นเดือนสิบแล้วนะนนี่เดือนสิบไทยนี่นะ จนถึง10เพลงอันนั้นคือกลุ่มที่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญต้องอุทิศให้เพราะฉะนั้นชาวทิพย์จึงมีอยู่สองจำพวกไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญอุทิศอย่างไงก็รับไม่ได้อันนี้ต้องให้วางไว้กับพื้นเรียกว่าเข้าประดับดินอันจําพวกที่2คืออยู่ในฐานะของผู้รับบุญต้องทําบุญถวายทา้งข้ า, านแก่พิสุสวงและอุทิศให้อย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้น ที่ไม่สามารถรับมือได้คือเราทิศแท้แล้วเขาไม่สามารถรับได้เราก็วางสิ่ของให้คือเขาอยู่ในกรณีไหนที่เขาไม่สามารถรับมือเราส่วนมากอยู่จําพวกของพวกปีศาจพวกปีศาจตัวเป็นคนหัวเป็นควายตัวเป็นคนหัวเป็นเป็ดเป็นไก่เพราะว่าเพนบอกว่าเคยเห็นบ้านดำๆมาโอื่แปลว่าโอทิศให้ไม่ได้ เน อ, อนั่นแหละก็จะเป็นประเภทนั้นคือแหนบางทีก็หกหมหนคือถ้าไปแล้วจะคนมคือเมืวาบอกเราเ่าไอก เ, เลีมีเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาเข้ามาส่งสั ญ, ญญาณให้ทราบเพื่อขอบุญอืไ้ห น, นุ่มหนห่มจะเป็นบ่อยแ ต, อแต่ว่าไม่เห็นัอมว่าอนนันน่นเนี่ยคือเราเราเป็นอะไรมันเป็นที่เราดูได้นั้นนั้นทไมเพว่าการสื่อสัญญา ของพวกที่อยู่ในโลกที่พายานที่จะส่งสัญญาณให้เราได้ทราบในในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ค่ะคือมู้ว่ า, าประสงค์ดีหรือประสงค์ร้าส่วนมากไม่ใช่ประสงค์ร้ายนะส่วนมากแค่ขอส่วนบุญ อ, อันประสงค์ร้ายป่านนี้ดิ้นกระเด๋วกระเด๋วแล้วถ้าประสงค์ร้ายนะ <c oughs> ไม่ได้อยู่เป็นสุปหรอกเ <c oughs> หรอค้อาดเรื่องแบบอาคุ่ตาหามันจ ะ, นจะลึกอัตโนมัติอืมก็แสดงว่ามี ไม่ไม่เคยมาเฉพาะตัวเองแลวทีนี้มาพาผีพาอะไรมาด้วยนะแบบแม่พิมนั่นแหละแม่พิมก็ไม่ได้มาแต่ตัวหรอกนั่นน่ะแต่แต่แม่เนี่เขาแบบจะเข้าบยบอยบอยมากเลยแม่พิมแค่แค่บอยคือคือหนูหนูไม่ปราถนาไม่ปราถนาเลยใช่ไหมแล้แฟนบางดีคือกเห็นข้าขาแบบว่าบอกว่าข้าคือเหมือนเหมือนญาติกันสื่อ เขาจะเขาเนี่ยจะไม่เห็นแต่ถ้าไม่มสนิายมากแม่ยายเขาทุกท้องเขาจะไม่เห็นเมืมอานนีน้องยุบเศษมะกอกหนูมันจะเป็นของเขาอืมแต่หนูไม่เห็นก็ต้องเชื่อเขาเพราะเขาเห็นคนเราไม่ใช่จูจ่ๆจะพูดขึ้นมาด้วยตาฝาดอย่างเงี้ยไม่ใช่ตาฝาดเขาก็รู้ว่าตาฝาดอันเห็นก็คืออันเห็นตาฝาดตาหม า, าไม่มีไงตาฝาดมันจะฝาดแบบ ชัดเจนแบบเห็นกันอย่างงี้มันมันไม่ฝาดแล้วคือคือเขานอนแล้วเขาบอกเออมีอยู่ทางนี้ทางนี้อะเงี้ยนะเขาพูดขึ้นมาเอาง <S <S บางทีอาตมาก็นอนอยู่ธรรมราธรรมราดึกๆนี่นะโผล่ขึ้นมาข้างหน้าต่างก็มีคอกคักค อ, ขอขกคักอยู่แถวนั้นน่ะหน้าต่างนั่นมองไปก็เห็นอยู่นอกหน้าต่าง <S 2> <S 2> <S มันไม่ใช่ปถาถนามันเห็นไม่มีใครปราธนาหรอกมันดันไปเห็นอะเฉยเยนี่นะ าจาระนจาจะมาทเสียงแล้ววิธีอื่นเข้ามาแบบไร้มมีสิปรากฏตัวเป็นตัวเลือนๆลางๆบ้างหรือเสียงทำเสียงแล้วคนก็ยังเซอร์อยู่ไม่ลบับรู้ว่าเป็นสัญญาณจากเขาหาว่าผีหลอกก็เอาน้ำมนต์มาลดมาลาดเขาอย่างเงี้ยอันนี้ยังคือเซอร์มากๆเลยเนี่ยเขามาขอส่วนบุญแท้ๆและเป็นญาติของตัวเองแท้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการ เขาจะทำต่อไปคือปากฏตัวให้เห็นยิ่งปากฏตัวเห็นยิ่งหนักไปอีกว่ายิ่งหลอกยิ่งเฮี้ยนทีนี้เอากูอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไม่เป็นสุขแล้วไปหาผ้ายันมาตอกตามเสาเรือนบ้างหาได้สายศีลมามัดบ้างอะไรของดีเอามาใส่กันยิ่งหนักไปใหญ่กันเขาต่อไปเขาก็ทางความฝันเข้าทางความฝันทางความฝันก็บอกฝันร้ายอีก โอ้อยู่บ้านนี้นอนฝันร้ายฝันไม่ดีฝันว่ามีผีเข้ามาหามาจะมาบีพออย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นเข้าใจผิดอีกคนนี้มันเสอร์ขนาดนั้นนะพอหนักสุดแล้วเขาทาทุกอย่างสารพัดแล้วคนไม่รับรู้อะไรสิงเลยทีนี้ไม่มีอะไรกินแล้วกูจะสิงคนนี่แต่กินสิงญาตินพี่น้องนี่แต่กินสุดท้ายก็สิงไปสิงมาก็อาศัยร่างกายนี้กินไปเรื่อยๆอยู่ไปได้ทีนี้บางทีก็เกิดอาการที่ไม่ใช่ตัวเองขึ้นมาเหมือนกัน ไปหาหมอผีก็บอกว่ามีผีก่อขุนใช่ไหมล่ะผีหมอผีก็เซกอีกเอามนสะกดก็สะกดได้ข่าวหนึ่งดีไปพักหนึ่งพอมนตนั่งเสื่อมลงก็กลับคืนมาเป็นอีกเหมือนเดิมบางคนไม่เคยจะกินราบเลือดก็อยากจะกินขึ้นมาเฉยๆเนี่ยก็มีบางคนไม่เคยชอบ แ, แต่ก็อยากจะกินขึ้นมาเพราะถูกสิงกินอย่างนั้นก็มีกินแล้วข้อนี้ไปอิ่มแล้วข้อนี้ไปก็มี บางคนไม่เคยกินเหล้าผีตัวนี้เข้าสิงก็พาไปกินเหล้าเห็นร้านเหล้าเดินผ่านไม่ได้ต้องซื้อ ท, ทั้งทั้งที่เป็นคนไม่เคยดื่มเหล้าต้องซื้อมากินคืออยากกินจนมือสัน่นอย่างนี้ก็มีไม่ใช่อาการของคนมีนนน เพราะการสิงมันเลยมีหลายรูปแบบสิงแบบญาติสิงก็มีสิงแบบถูกสั่งการมาจากอำนาจเวทอาคมบนคาถาไสายศาสตร์ให้สิงก็มีพวกสิงเนี่ยหลายอย่างที่ที่โดนเข้าสิงได้คือเป็นกรรมเก่าของน้อว่าความผูกพันก็มีส่วนทั้งกรรมเขาถ้าเป็นญาติเขาไม่อยากจะสิงง่ายๆหนอแต่คนไม่ได้ทําอะไรให้เขาไป ทำบุญทำอะไรหรือให้อะไรเขากินเขาก็สุดท้ายเขาก็ต้องสิงกินเพราะไม่รู้จะไปกินที่ไหนกินที่ไหนมันก็ไม่ได้มีมแต่ญาติของเราคนนี้แหละสิงเลยทีนี้แต่จริงจริงเขาก็รู้ว่าการสิงไม่ดีเขาก็ไม่อยากจะสิงแต่มันไม่ได้ที่สุดแล้วก็ต้องสิงสิงเ็กินกับเหมือนว่าแ่บที่แบบนี้อช่ไ ม, ไมก็เหมือนกัน อันนั้นมาจะมาจากสาเหตุบางอย่างที่เขาต้องการบอกหรือแสดงถึงความเดือดร้อนที่เขาเป็นอยู่ไม่อยากจะพูดเรื่องผีเดี๋ยวมันมาหลอก <ت <ت เดี๋ยวมันมาหลอก พูดธรรมะดีกว่า่ารคยไม่ว่าความจักอยู่ในความกลัวจะอยู่ในขันไหนวคความกลัวอยู่ในขันไหนก็สังขารขันสังขารขันใช่แล้วได้ประโยชน์อะไรจากการรู้เรื่องนี้ หลุดหลุดแบบไห น, นแล้วมันหายกลัวไห ม, ไมเอาไม่ใช่เม็ดอ ม, มเหรออ๋อเล่าให้ฟัง อ, อ๋อนนความกลัวก็คือเป็นจิตหนึ่ง<ม>ความกลัวคือจิตหนึ่งนะความไม่กลัวก็คืออีกจิตหนึ่งคือจิต ด, ดวงเดียวนั่นแหละแต่มันมีกลัวกับไม่กลัวมันก็จิต ด, ดวงเดียวแต่ อาการแห่งความกลัวหรืออารมณ์แห่งความกลัวมันแตกไปมันไม่รวมกลุ่มกันมันแตกไปก็เหลือความไม่กลัวอย่างนั้นแหะผลนียมาจากการเขาเรียกวขันทันดานที่มันถูกปูฝังมาผู้เราจึงใช้คําว่าขันไงกลุ่มกลุ่มหรือก้อนหรือกองขันเนี่ยรูปประขันเอาดินนาหน้าว่าไฟอารมณ์มากองโดยใส่ด้วยกันเข้าใจไหมเป็นขันรูปประขัน เวทนาเอาสุขเอาทุกข์เอาไม่สุขเมื่อทุกข um oh no> ์มากองไว้ด้วยกันกองไว้ในใจสัญญาเอาความทรงจําหลากหลายที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วเอามากองไว้ในใจในจิตดวงนี้สังขารเอาความคิดต่างๆนานาทั้งความคิดทั้งหมดที่คิดมาตั้งแต่เด็กจนถึงโตเติบโตจนทุกวันนี้เอามากองไว้คิดเป็นความรู้สึกคิดในด้านกลัวคิดในด้านไม่กลัวคิดในด้านโกรธคิดในด้านเกลียดคิดในด้านรักคิดในด้านชัง พวกนี้ก็ถูกกองรวมกันไว้ถ้าใครรู้อันไหนอันนั้นก็จะแตกออกหมดออกสัมไลออกนะเนี่ยเหลือแต่สังขารขันรวนๆนแต่อาการของจิตมันก็จะคลายไปมันจะดับไปวิญญาณก็รับรู้ในกายรับรู้ในเวทนารับรู้ในสัญญาสังขารแล้วก็รับรู้ตัวของมันเองก็เป็นกองๆองหนึ่งกองแห่งการรับรู้คือไปรับรู้ในรูปก็ เก็บเรื่องของรูปรับรู้ไว้ในตัวของมันไปรับรู้ในเวทนาก็เก็บเรื่องของเวทนาไว้ในตัวของมันไปรับรู้สัญญาก็เก็บตัวสัญญาไว้ในตัวของมันไปรับรู้สังขารก็เก็บตัวสังขารไว้ในตัวของมันตัววิญญาณเนี่ยเอามากองรวมไว้ในตัวมันว่ามันรับรู้มันจึงเกิดการรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เวทนารู้สุขรู้ทุกข์รู้ความทรงจําภายในตัวของมันเก็บไปกองกองรวมกันจึงชื่อว่าขันขันแปลว่ากองกลุ่ม หรือว่าเป็นก้อนเนี่ยก้อนแห่งความกลัวอยู่ในใจเราก้อนแห่งความโกรธก้อนแห่งความเกลียดก้อนแห่งความหงุดหงิดโมโหก้อนแห่งความรักก้อนแห่งศีลก้อนแห่งสมาธิก้อนของทานก้อนของปัญญาก้อนมันอยู่ในนั้นหมดก้อนของสติก็มีอยู่ในนั้นก็คือจิตดวงหนึ่งมันเป็นอาการของจิตแล้วถ้าสมมติว่าจิตความกลัวมันแตกมันมันหายวน ห ม, หมดไปก็หายกลัวจะมีโอกาสที่ว่าจะกลัวขึ้นอนอยู่ที่ว่ามันคิดที่จะกลัวหรือเปล่าถ้ามันคิดที่จะกลัวมันก็จะมีโอกาสที่จะกลัวได้อยู่จ่มันคงจะกลัวน้อยลงกว่าใช่เพราะมันยังมันจะก่อตัวจากสิง่งน้อยๆก่อนก้อนใหญ่มันแตกใช่แมล่ละ<ช>หากยังมีความคิดที่จะกลัวอยู่มันก็ยังสามารถก่อความกลัวขึ้นมาได้อีกนี่คือมันยังไม่ยังไม่หมด มันยังสามารถก่อมาได้แต่มันจะมันจะน้อยมันยังไม่มากแต่ถ้ายังคิดที่จะกลัวมากเข้ามากเขา้าก็ค่อยสะสมอีกสะสมอีกสะส ม, สะสมเป็นก้อนความกลัวที่ใหญ่กลายเป็นกลัวใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึมงมีโอกาสมีโอกาสได้ไม่เที่ยงนี่ยไม่ใช่ดับท้าบอลเนี่เกิดขึ้นใหม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราคิดคิดยังคิดที่จะกลัวมันอยู่ไหมอย่างเช่นกลัวความตายยังคิดที่จะกลัวไหมถ้าคิดที่จะกลัวความคิดที่กลัวในเรื่องของความตายก็จะเกิดเป็นอาการ แห่งความกลัวสแสดงต่อจิตว่าความตายเป็นของน่ากลัวเราก็จะเกิดความทุกข์เพราะความกลัวในสิ่งที่เราจะต้องตายอย่างเงี้ยมันก็จะทุรนทุรายแต่ถ้าเราพิี่ณาความตายจนไม่กลัวความตายไอ้ความก้อนแห่งความกลัวที่มันเคยสะสมมามันก็พังไปอทลายไปจะตายก็ตายไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นความตายเป็นของเที่ยงใช่ไหมล่ะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืน ทุกคนจับพึงตายเป็นแน่แท้เราก็คนคนหนึ่งก็ต้องเข้าถึงความตายเป็นแน่แท้เมื่อเราจะต้องถึงความตายเป็นแน่แท้จะมากลัวหาอะไรอยู่นี่เงี้ยมันก็จะสอนตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่คิดที่จะกลัวอันเนี้ยคิดที่จะรู้เหตุและผลเกิดสติเนี่ยจิตที่จิตที่รู้อย่างเงี้ยเป็นจิตที่มีสติสติก็คือจิตดวงหนึ่งอไงเมื่อสติเกิดจิตที่เป็นสติเกิดขึ้นจิตที่เป็นความกลัวก็แตกไปแตกสลายไป แต่ถ้าจิตที่เป็นสติขาดไปจิตทีพ่พิคิดในเรื่องความกลัวเกิดขึ้นอีกก็จะเกาะกลุ่มกันอีกนี่เกิดกลุ่มของความกลัวเกิดขึ้นมาอีกแต่จะเกิดขึ้นมาน้อยเก่อนก็สะ ส, สมสะ ส, สมสะสมจนเป็ น, นก้อนใหญ่จนเกิดความกลัวจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเราเกิดเกิดเล็กเน้อยถ้าเรามีสติเป็นเป็นเป็นลมท่าทางมันก็มันก็แตกไปอีก น, นี่ถ้ามีสติก็บีก็มันก็แตกไปอีกหมดนี่แค่นั้นเองสะสมไปสะสมไปเมื่อใดที่สติแก่กล้ารับทราบ เป็นถึงขั้นเกิดปัญญายาณแล้วไม่รู้จะเอาความกลัวมาจากไหนเนาะไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีตัวตนของเราเนี่ยคนที่มีกลัวอยู่คือคนนั้นยังมีตัวตนอยู่เข้าใจว่าตัวเองมีตัวตนอยู่จึงกลัวอยู่กลัวตายกลัวเจ็บไปกลัวทำไมไม่กลัวก็เจ็บอยู่ไม่กลัวก็จะตายอยู่หรือไม่ตายเหรอตายเนาะไม่กลัวทำไมกลัวผี ยังไม่ทันเห็นตัวกลัวมก่อนฮะคิดไม่กลัวเนี่ยคิดสุดท้ายคือกลัวความคิดตัวเองนั่นแหละไม่ได้กลัวอะไรเลยไอ้คนที่เห็นจริงๆเขาไม่ได้กลัวเลยนะโอ้นั่นเปดมาอ้นั่นผีมาโอ้นั่นญาติมาเขาจะเห็นก็ไม่ได้กลัวแล้วเขาแค่ทักว่านั่นเป็นเปรตนั่นเป็นผีไอ้คนที่ไม่เห็นและไอ้คนที่เห็นมาเล่าให้ฟังไอ้คนที่ไม่เห็นนั่งอยู่ข้างๆกลัวอยู่นั่นแหละ อย่าพูดเรื่องนี้นี่อย่าพูดเรื่องนี้กลัวอย่างเงี้ยพูดเรื่องเปรตกลัวหรือพูดเรื่องผีกลัวอย่างเงี้ยไม่เห็นก็กลัวไปแล้วมันบ้าแน่นั่นไอ้คนเห็นเขาเห็นเขาไม่ได้กลัวแทนที่ว่าคนเห็นแล้วจะกลัวปรากฏว่าคนเห็นไม่กลัวอะไรก็ตามที่เราได้เห็นความจริงแล้วเราจะไม่กลัวมันอะไรก็ตามที่เรายังไม่เห็นความจริงเราจะอยู่ภายใต้ความครอบกลัวอยู่ความกลัวจะครอบงําคนที่กลัวคือคนที่ยังไม่เห็นความจริง เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตเห็นสัจจะแล้วจะไม่มีอะไรน่ากลัวในโลกนี้เมื่อจิตเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกเห็นทางดับทุกไม่มีอะไรน่ากลัวในโลกนี้เจ็บก็ไม่กลัวป่วยก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวลําบากก็ไม่กลัวหิวก็ไม่กลัวหนาวก็ไม่กลัวร้อนก็ไม่กลัวไม่มีอะไรน่ากลัวมัมีแต่ความเป็นธรรมดาของมัน พูดอย่างนี้มันได้สาระไมมนีคนฟังเขาจะได้สาระไม่นี่เขาต้องเสียค่าวไวไฟเยอะ น, ะนั่นได้อยู่เนาะพอ ไ, ได้อยู่ก็น่าจะได้อยู่มหมดแล้วเหรอ เราถูกสังขารขันเล่นงานมาตั้งแต่เด็กแล้วสังขารขันพล อ, อยคิดพาเราคิดพาเราปรุงแต่งพาเราสะสมอารมณ์พาเราสะส ม, ร ม, เ, ราสาสมเรื่องราวต่างๆมาเนี่เรารู้ไม่เท่าทันต่อสังขารขันเหล่านี้มันเลยจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนภายในจิตเราก้อนแห่ง ค, ความกลัวก้อนแห่งความกล้าก้อนแห่งความดีก้อนแห่งความชั่วความคิดทั้งนั้น ถ้ามีสติแล้วพวกนี้ก็หมดไปจากกิจหมดหมดเอหมดกันแล้วเนาะการฟังนี่ยังอยากจะฟังอยู่แต่กรรมการพูดมันหมดแล้วนี่สนทนากันหมดแล้วคนในเพจก็ไม่ได้ถามอะไรกันมาให้ได้ตอบมันก็หมดแล้ว มีไหมเนี่มมน ย, ยมีคำถามอะไรอาจารย์ฮะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพระอรหันต์ของบุรบกับนมัสการพระอาจารย์ครับการได้เป็นพ่อแม่หรือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรควรมีทำอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ในบ้าน เป็นพระภพมในบ้านนมาสการครับผมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการได้เป็นพ่อแม่หรือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรควรมีทำอะไราาทำของบิดามารดาคืออะไราาที่ให้กำเนิดเนี่ย ไม่ใช่พ่อแม่บางคนไม่มีพรมีหารก็มีมส่งครอบบุตรฮะทรงครอครนเรี่อ ง, งดูบุตรพระเจ้าบอกว่าบิดามารดามีคุณค่าอย่างไรที่ลูกควรกระทำการตอบแทนเป็นอะไร เ, เป็นอะไรพ่อแม่เป็นอะไรบ้างเป็นบุรพาจราร์หของบุตรใช่ไหมเป็นอะไรอีก เป็นบุรพาอาจารย์บุรพาจารย์คือใครอาจารย์คนแรกของบุรุใช่ไหมล่ะเป็นครูคนแรกใช่ไหมล่ะสอนอะไรบ้างสอนให้กินใช่ไหมล่ะดูดนมอย่างนี้นะจุดจุดจุดุดอย่างนี้นะเนี่ยสอนให้กินสอนให้ดูดนมสอนให้ก่อมให้นอนนอนนะนอนนะสอนให้รู้จักนอนสอนรู้จักเดินจูงมือเดินอุ้มอุ้มประคองเพื่อที่จะเดินสอนให้เรียกพ่อเรียกแม่ พ่อแม่อย่างเงี้ยสอนสอนอะไรอีกสอนสอนหลายๆอย่างใช่ไหมล่ะอันบางอย่างเราก็รับบางอย่างเราก็ไม่รับบางอย่างเราก็ดื้อบางอย่างเราก็ทําตามถามว่าคือคําถามมันยังไงไม่รู้เนาะไม่แน่ใจว่าคนถามมีความประสงค์ในการถามยังไงคือจุดประสงค์ต้องการจะทราบานะการได้เป็นพ่อแม่หรือบิดามารดาผู้ให้กําเนิดบุตรควรมีทําอะไรอันเนี้ยทาที่พ่อ ทำที่พ่อแม่ควรจะมีไม่ใช่การเป็นพ่อแม่หรือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรควรมีทำอะไร <c oughs> หมายถึงว่าพ่อแม่ควรจะต้องมีทำอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าพ่อแม่มีทาอะไรมาถึงจะมาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่ควรจะมีทำอะไรที่ให้เกิดการกำเนิดบุตร <c oughs> แล้วก็มีถามต่อไปอีกว่า มีทําอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นพระอารหันในบ้านเป็นพระพรหมในบ้านถ้าเป็นเ พ, พราะเป็นพระพรหมในบ้านก็คือพรหมพิหารสี่บิดามารดาจะมีใจเมตตาลูกอยู่เสมอใช่ไหมละ่ะจะมีใจกรุณาลูกอยู่เสมอจะมีใจมุทิตาลูกอยู่เสมอแล้วก็อุเบกขากับลูกอยู่เสมอ อุเบกขาไม่ใช่เฉยเมยนะอุเบกขาคือใส่ใจลูกทุกอย่างแต่วางใจได้เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นกับลูกคือบอกแล้วสอนแล้วแนะนําแล้วอะไรทุกอย่างแล้วแต่มันผิดพลาดเกิดขึ้นอุเบกขาวางใจได้ต่างใจเป็นกลางได้ไม่ใช่เมืองไม่ทําตามที่กูบอกลอะไรดุด่าว่าเกาวแล้วก็ตีอย่างเงี้ยไม่สามารถวางใจเป็นกลาง บางทีก็ทะเลาะกันก็หนีจากกันลูกก็ไม่ได้สาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่นะพ่อแม่ก็คอยแต่จะกล่าวโทษลูกอยู่เสมอว่ามึงไม่ดีอย่างนั้นมึงไม่ดีอย่างนี้มึงหัวดื้ออย่างงั้นไม่เชื่อฟังกูอย่างนี้กลายเป็นทะเลาะเบาแว้งกลายเป็นนายเวียนกันไม่ได้เป็นพ่อเป็นลูกกันบางคนก็มึงเรียนจบมามึงส่งเงินมาให้กูบ้างทวงลูกอยู่อย่างนั้นกูส่งมึงไปหมดไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มึงไม่เห็นมาเลี้ยงดูกูอันนี้เลี้ยงลูกแบบ ทวงนี้ตัวเองเป็นเจ้าหนี้ลูกเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กับลูกนี้อยากจะเห็นกันไหมล่ะก็ไม่ค่อยมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ท่าไรหรอกทำไมทำไมทาไมลูกกูไม่มาเยี่ยมกูสักทีอ๋อกูทวงนี้มันอยู่ตลอดมไม่มาเยี่ยมกูเลยปะหรือลูกไม่มีอะไรที่จะไปให้พ่อให้แม่ก็ไม่กล้าไปเยี่ยมไปคิดอยู่แต่ว่าเราไม่มีอะไรให้พ่อให้แม่ ก็สุดท้ายคือไม่ได้ทราบซึ้งถึงบุญคุณของพ่อแม่ก็เนื่องมาจากขาดคุณธรรมสี่ประการคือเมตตาการุณาบุติตาอุเบกขาสีประการนี้พ่อแม่คุณสมบัติของผมวิหายสีนี้ไม่เพียบพร้อมอย่างเงี้ยบางทีลูกก็มานั่งคิดพ่อทำไมให้คนโน้นมากกว่ า, วาเราทำไมให้เราน้อยกว่าพี่คนนั้นลูกคนนั้นพี่คนนั้นน้องคนนั้นอย่างเงี้ย เราขออะไรไม่ค่อยจะได้แต่อีคนนั้นนะมันขออะไรมันได้หมดก็อิจฉาริษสยากันอยู่อย่างนี้ <c oughs> ทำให้ลูกคนที่ไม่ได้อะไรที่เสมอกับคนอื่นไม่ซาบซึ้งบุญคุณในพ่อแม่ก็มีเป็นอย่างเงี้ยยังไงอีกทีนี่เก <c oughs> ี่ยวกับลูกเก <c oughs> ี่ยวกับพ่อเก <c oughs> ี่ยวกับแม่ลูกบ้งคนพ่อแม่ก็ให้หมดทุกอย่างอะไรก็ให้ดีหมดทุกอย่าง อยากจะได้อะไรพ่อแม่จัดสรรให้ทุกอย่างแต่ก็ทําลายน้ํากินน้าใจของพ่อแม่โดยการเอาทุกอย่างที่พ่อแม่ให้มาไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีเหยียบย่ําทําลายน้ําใจทําติดยาบ้างไปเล่นการพนันบ้างไปติดสุราบ้างติดเพื่อนบ้าง <c oughs> พ่อแม่ชวนไปวัดไปว่าไม่ค่อยจะไปชวนเพื่อนชวนไปร้านเหล้าไปทันทีอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย พวกนี้นี่ไอ้ลูกพวกนี้มันเป็นลูกพวกหลไรประเภทไหนไม่ซาบซึ้งบุญคุณของพ่อแม่อีกถามว่าพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมเหรอเมตตาเกินไปหรือเปล่าการุณาเกินไปหรือเปล่ามุทีตามากไปหรือเปล่าหรืออุเบกามากไปหรือเปล่าหรือยังไงคุณธรรมไม่พร้อมลูกก็เลยไม่ได้ซาบซึ้งหรือยังไงคุณธรรมที่บินามารดาควรมีที่จะเรียกว่าเป็นพรหมก็ต้องเรียกว่าพรหมวิหาร คุณธรรมที่บิดามารดาควรมีที่จะเรียกว่าเป็นอรหันต์ของลูกอรหันต์นั้นเป็นยังไงเฉพาะลูกนะอรหันต์นั้นเป็นยังไงรู้ไหมว่าความเป็นอรหันต์เป็นยังไงเป็นอาเป็นอาหุนายาบุคคลอาหุนยบุคคลคือบุคคลที่ลูกควรทําบุญด้วยควรบูชาด้วยบูชาด้วยข้าวน้ําเสื้อผ้าอาหารการกิน ทัพ ส, สมบัตินี่คืออาหุนยญบุคคลการที่จะเป็นอาหุนยญาเป็นพรมของบุตรเนี่ยคือมีคุณธรรมพรหมิหารสี่เป็นอาหุนยญของบุตรคือเป็นอาลหันของบุตรอาหุนยญบุคคลนี่คือความเป็นอาลหาันคือควรค่าแก่การบูชาอาลหันคือผู้ควรกกแก่แก่การบูชาใช่ไหมใช่ไหมแล้วคุณสมบัติอะไรที่ทําให้เป็นอาลาหัน เป็นอาโนียะของบุตรคุณสมบัติของความเป็นอรหันต์ของบิดามารดาที่จะเป็นที่จะได้นามาเป็นอรหันต์ของบุตรได้คืออะไรเป็นนาบุญเป็นนาบุ ญ, บญก็ด้านแหละเป็นนาบุญคุณธรรมอะไรที่ทําให้บิดามารดาเป็นนาบุญของบุตร ก็ไม่เคยได้เรียนรู้มาเท่าไหร่ใช่ไหมไม่เคยได้ยินกันเท่าไหร่ใช่ไหมก็ไม่เคยมีเหมือนกันมีแต่บอกว่าบิดามารดาเป็นอาเป็นเป็นอาหุหนยาบุคคลเป็นอาลหันของบุตรแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าคุณธรรมอะไรที่ทําให้บิดามารดาเป็นอลาลาหันได้เนี่ยเขาถามมานี่มีแง่คิดที่น่าคิดอาตมาก็เพิ่งได้คิดและกําลังคิดอยู่ในเวลานี้เพื่อที่จะตอบว่าคือคุณธรรมอะไร นะพระรหันต์มีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมนั่นแหละบิดามารดาใดที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงต่อบุตรไม่โลภในบุตรไม่โกรธในบุตรไม่หลงในบุตรแล้วเป็นยังไงไม่โลภในบุตรยังไงโลภในบุตรปารธนาให้บุตร ตามเป็นไปตามใจอยากของตนมึงต้องทําตามที่กูบอกกูบอกให้มึงเรียนอันนี้มึงก็ต้องเรียนอันนี้ทั้งท่านที่ลูกอาจจะไม่ชอบใจอันที่พ่อแม่ต้องการใช่ไหมใช่บังครับตีนี่ตระกูลกูตระกูลเราเรียนหมอมาลูกต้องเป็นหมอลูกไม่ชอบหมออะไรอยเงี้ยไปเรียนวิศวะมึงไม่ได้ต้องมาเรียนหมอหรือตระกูลเราเรียนวิศวะมามึงต้องเป็นวิศวะ ลูกไม่ชอบวิศวะไปเรียนอะไรอย่างอื่นอีกเนี่ยมั น, มน ข, ขัดแย้งกันพ่อแม่มีความโลภคือปรารถนาให้ลูกไ ป, ไปตามใจอยากของตนเองเลี้ยงลูกเพื่อให้ได้ใจอยากตามใจอยากคือโลภพอโลภแล้วลูกไม่เป็นไปตามใจอยากโกรธหรือลูกไปคบกับเพื่อนเป็นแฟนแต่พ่อแม่ไม่ชอบไอแฟนคนนั้น พ่อไม่ถูกใจพ่อแม่โกรธหรือพ่อแม่บอกให้ลูกอยู่บ้านลูกไม่อยู่มึงไปไหนมากูบอกให้มึงอยู่บ้านมึงไม่อยู่โกรธคือทั้งโลภทั้งโกรธแล้วก็หลงหลงกับการยึดติดในลูกว่ามึงเป็นลูกกูมึงต้องเชื่อฟังกูกูเป็นพ่อของมึงใช่ไหม ทุกวันนี้พ่อแม่จะบอกว่ามึงต้องเชื่อฟังกูพูดอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงโลกทุกวันนี้มันก้าวไกลไปไหนใช่ไหมละ่ะก้าวไปถึงไหนเขาเรียนรู้อะไรบ้างโลกนี้มันรวดเร็วมากไอ้รุ่นเรานี่ไม่ทันเขาหรอกจะให้เราเขามาต่อเชื่อเชื่อฟังเราเชื่อฟังเราอยู่อย่างงี้นี่มันไ ม, ไม่ได้เราควรจะมองที่ทางเขาให้ออก ใช่ไหมล่ะว่าเขาเป็นอะไรยังไงก็ส่งเสริมเขาไปในเรื่องนั้นๆจะต้องจะต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในบุตรคุณธรรมเหล่านี้ถึงจะมีคุณค่าความเป็นพระอรหันต์ของบุตรได้ฟังไว้นะพ่อแม่อย่าได้เป็นแค่พรมของบุตรหรือบางทีเป็นพรมของบุตรก็เมตตาไม่พอกรุณาไม่พอมุทิตาไม่พออุเบกขาไม่พอก็เป็นไม่ได้นะ เพรานการที่จะทําให้ลูกทราบซึ้งเป็นตามดังคุณนะอะไรคุณคุณค่าแห่งความเป็นตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในคุณค่าแห่งความเป็นมันดาเบดาที่ควรจะเป็นคือเป็นพรมของบุตรและเป็นอาราหันต์ของบุตรคือรู้จักมีพมวิหาร4ีต่อบุตรอยู่เสมอและไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในบุตรอยู่เสมออย่างเงี้ยเลี้ยงลูกให้เป็นตามที่ลูกอยากเป็นเลี้ยงลูก และส่งเสริมลูกตามโอกาสในควรที่จะส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมได้ไม่ใช่บังคับให้เป็นไปตามใจเจ้าของตนเลี้ยงลูกอย่าไปยึดติดในลูกมากเกินไปว่าลูกกูลูกกูมึงเป็นลูกกูก็เป็นลูกเราอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ลูกคนอื่นหรือคิดว่าเป็นลูกคนอื่นเหรอถึงจะไปพยํามกับลูกอย่างนั้นว่าลูกกูลูกกูนั่นแหละมันยึดติดเกินไปจนจนหมายถึงว่า อะไรเป็นของครูไปหมดอะไรประเด็นนี้นะมีลูกหรือยังมีแล้วลูกได้ดังใจไหม ม, นะมันก็มีอย่างนี้แหละเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วควรจะทํำยังไงไม่โกรธนะโกรธไหมกับลูกบาง ท, างทีนั่นก็เลี้ยงลูกด้วยความโกรธเป็นอหรหันต์ของลูกไม่ได้เป็นอย่างนีน <c oughs> อกไม่โกรธได้ยังไงก็เป็นบุรุษชนอยู่เนี่ยคนละอย่างกับบูรุษชนอัน อันมีกิเลสกับบุรญชนกับลูกคนละอย่างกันเนี่ยถ้าอยู่กับลูกต้องเป็นอรหันต์ของลูกทําตัวเป็นอรหันต์ของลูกอา้าถามว่าพระอรหันต์ไม่โกรธพระอรหันต์ด่าด่าไหมด่าสิเอาไม่โกรธทาไมดา่าพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ไม่ด่าลูก ด, ด้วยความโกรธนะเว่าใช่ไหมอย่าด่าลูกด้วยความโกรธแต่ด่าลูกด้วยความไม่โกรธเอาไม่โกรธจะด่าได้ไหมด่าได้ ด่าได้ด่าด the <that> ้วยความรักด่าได้สิต้อไปเดียนศิลปะของการด่าที่ไม่โกรธเธอน่ามันด่าด้วยความโกรธกับด่าด้วยความไม่โกรธมันจะมีแสดงอาการขึ้นมาให้ให้เห็นกันอยู่นะลูกเขาจะรับทราบได้ว่าแม่เราดาด้วยความโกรธหรือเปล่าเขาจะรับทราบอารมณ์ได้เยอะสอนเขาบอกเขาแนะนําเขา เอาสรุปหรือยังพ่อแม่ควรจะมีคุณธรรมสองประการหนึ่งพรมิหารสีกับคุณธรรมของความเป็นพระลรหารคือความเป็นผู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เฉพาะบุตรนะนี่ประมาณนี้นะเพิ่งจะคิดได้นี่แหละแม่พ่อไม่มีคําตอบที่ไหนไม่มีคําบัญญัติที่ไหนเนี่ยคาดว่าอย่างนั้นพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมตรงนี้หรือว่าพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมจะชื่อว่าเป็นพมไม่ได้เป็นเป็นพระละหารไม่ได้ คุณสมบัติเหล่านี้ได้เป็นผู้แค่ให้กำเนิดแต่คุณธรรมไม่มีก็ไม่ได้ใช่ไมไม่ได้ได้ได้ที่บุรพาจารย์ของบุตรได้อยู่สอนบุตรอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์ของบุตรได้ชั้นของอาจารย์ชั้นอาจารย์ก็ยังดีคอยสอนคอยบอกคอยแนะนำคอยว่า ก, กาวระดับสูงขึ้นไปอีกคือเป็นพรหมของบุตรคือเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขา แผ่เมตตาให้ลูกอยู่เสมอขอให้ลูกถึงความสุขความเจริญตั้งจิตอนุเคราะห์บุตรด้วยน้ําใจอันงานอยู่ตลอดเวลาขอให้ลูกปลอดภัยขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขขอให้ลูกเจอแต่เพื่อนดีๆเจอแต่คนดีๆยินดีเมื่อลูกได้ดีและ ว, วางใจเป็นกลางเมื่อลูกไม่เป็นไปนตามความปรารถนาตั้งจิตเป็นกลางโอ้ก็แล้วแต่มันนะบอกอะไรกันมันก็หมดแล้วสอนอะไรก็หมดแล้วก็ได้แค่วางใจเป็นกลางเท่านั้น ไม่ใช่เจอหน้าลูกแต่ไอ้หาเอ้ยอยู่นั่นน่ะกูบอกมึงไม่ทําตามที่กูบอกเนี่ยก็ว่าแต่มันอยู่อย่างงั้นน่ะก็ใช้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่พรมพรมนี้ก็สอนด้วยวายกาบอกด้วยวาจาบอกด้วยเมตตาตั้งจิตเมตตาในลูกอยู่เสมอไอ้นี่มึงก็เถียงแต่กูอยู่นี่แหละเนี่ยก็ไม่ได้ลูกเถียงไหมเถียงอยู่ วเวลามันเถียงกลับมาเนี่ยโมโหมันไหมโมโหอยู่เนึกถึงนึกนึกถึงภาพตอนที่เราเถียงแม่ไหมนึกอยู่เออเราก็เป็นอย่างนี้เออใช่วงจรธรรมดาถูกแล้วก็ฝึกไปทีเนี้ทำให้ได้เป็นบุรพอาจารย์ห้องบุตรเป็น อ, อ่า พรมของบุตรแล้วก็เป็นอาุหนยญาบุคคลของบุตรคือเป็นผู้ไม่โลภไม่กลมไม่หลงควนค่าแก่การบูชาควรค่าแก่การสักการะเดี๋ยวลูกก็ทราบซึ้งในบุญคุณเราเองถึงยังไงจะบิดามารดาจะเร็วนี้ลูกควรทำบุญกับบิดามารดาบิดามารดาจะเร็วแค่ไหนก็ตามก็ควรจะทําบุญด้วยถึงแม้คุณธรรมจะไม่ถึงแต่ลูก ตั้งบิดามารดาไว้ในฐานะของอาจารย์ตั้งในฐานะของพรหมตั้งไว้ในฐานะของอรหันต์โดยฐานะแต่คุณธรรมจะได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่โดยฐานะนั้นของบิดามารดาอยู่ในฐานะอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อลูกตั้งจิตไว้กับบิดามารดาแม้บิดามันดาจะเร็วซามแค่ไหนก็ตามลูกตั้งไว้แล้วไปทําบุญด้วยก็เกิดผลบุญอย่างสูงสุดเหมือนกัน มีถามมาอีกไหมเนี่ยช่วยดูคำถามหน่อยนี่ใครมีเครื่องไม่มีอ่ะมดได้คำตอบกันแล้วนะไลฟ์สดก็ไม่มีค่อยมีคนฟังกันแล้ว น, น่นนี่ดูท่านี่น้อยแล้วนี่น้อยก็คงจะได้โอกาสได้เลิกในการปิดเพจแล้วมั้งไง น้อยลงแล้วดูท่าเหมือนเหมือนกับอิ่มตัวละมั่งดูท่าเนะาะฮะยั่งเลอ <c oughs> ก็เนี่ยมาดูแค่กันไม่เท่าไหร่เนี่ยห้าหคนนเองอ๋อส่วนใหญ่ดูที่หลังมากกว่ า, าครัอาจารย์คเปิดดูที่หลังที่หลังนทการทำงานะจะมีอย่างอื่นแต่ว่าีเขาเพ่มาดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ดไดใช่แต่มันก็คงจะมีจนถึงจุดสุด นอกจากคำถามมาคำตอบก็ไม่หมดแต่ถ้าคำถามหมดคำตอบก็หมดก็ปิดตัวนี้เพราะว่าจุดประสงค์ของตัวนี้คือตอบคาถามและแก้ปัญหาพร้อมกับอธิบายทำนี่ในสิ่งที่คนยังไม่เข้าใจอันนี้ก็อธิบายมาเยอะถ้ามันถึงที่สุดก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะจะแจ้งเป็นทางการอยู่หรืออาจจะเปลี่ยนคนเพราะ พระบางรูปก็มีแง่มุมหนึ่งในการอธิบายธรรมะไปในหล า, ลายแง่ที่เราจะสามารถเรียนรู้กับท่านอื่นอีกได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีพอสมควรแก่เวลาวันนี้เอวังอขอให้ผู้รับชมรับฟังทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญ